การปฏิบัติกรรมก็คือปฏิบัติทำมันเกิดความวิธรรมกับการใช้กายใช้ใจ ใ, ใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมมันทำยางไอันนั้นต้องศึกษาจักปูรู้ปฏิบัติกรรม มีกรรมต่างๆมากมายเป็นดีทำดีถึงพร้อมการงานต่างๆเป็นวิชาการต่างๆเกิดเป็นคุณธรรมจริยธรรมจิลธรรมวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมของชมุมชนที่ร่วมกัน นใหญ่ก็เป็นเรื่องของการกระทาที่คิดว่าทำแล้วจะมีความสุขบางทีก็ปฏิบัติกรรมมันก็ต้องเลือกสาเดชานี่มันก็มีอยู่ตามธรรมชาติตามสัญญาณ แต่ว่าิบัติบบทำก็ต้องมีการกระทําที่อื่นสอนอะไรไม่รู้แต่ว่าที่นี่สอนฝึกสตินหลวงพ่อเขียนท่านเอาเรื่องสติเป็นหลักเพราะว่าเรื่องอื่นๆก็ก็สอนกันอยู่แต่ว่ที่นี่เราใช้นะรูปแบบแนวหลวงพ่อเทียนที่นมันก็เป็นอย่างนี้มานานแต่ว่าต้องทําให้เป็น ทำให้เป็นเป็นยังไงก็คือฝึกจนกระทั่งมันเห็นรูปธรรมนามธรเบื้องต้นมันก็จึงเป็นคําพูดเรามาจากประสบการณ์ว่าการได้ยินได้ฟังก็เพื่อให้เกิดความเพี่ยนไทยคําที่พูดออกมากเพื่เกิดความเพียนเพียนรักกเิเลส เปลี่ยนที่จะปฏิบัติความเปลี่ยนอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินนยยะโลเกวิชาตัวมนัดสังอาตาปีพัฒนามาจากตัวฉันตะความพอใจพอใจที่จะทำใครควรวิสุทตัทดลองเห็นแล้วว่า จิต ใ, ใจของเรามันถูกลดจริงๆเพราะทุกติคก็จากความคิดการปรุงกันแต่งเวลาหลงเพลิวลาลงเพลิก็ไปนในความคิดงบปรุงแต่งรวมโดยเฉยกันเวลาที่มันรู้สึกนกับการเคลื่อนการไหวเบื้องตน้นอันดับแรกก็คือมันจะออกมาจากความคิดตรงนี้ประเด็นนี้สําคัญเราไม่หลงไม่หลงประเด็นเรา ใช้การยึดใช้การถือเบื้องตน้นยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสโรณน ะ, ะยึดเอาทำไมถึงยึดเอาเพราะมันรู้เพิ่งได้ร่างกายของเรากายจวิญญาณที่มันมีความรู้สึกมีเวทนารู้ซื่อๆรู้เฉยๆ อันเนี้ยทุกครั้งโยนเกลื่อนไหวรู้สึกการเดินจงกรมการสั้งจังหวะรู้ว่าหาันซ้ายแลกว่าอีลด้วยต่างๆมากมายมันจะเป็นเครื่องรู้รู้เบื้องต้นเลยว่ารูดน้ำอารมณ์รูดน้ำเบื้องต้นเลยสังกัดกายเป็นทํกากลางที่จุด มันเป็นท่ามกลางที่สุดตรงคือตัวรู้สึกที่มันรู้ตัวตัวสว่างกายมันพัฒนาต่อไปได้ถึงรู้รอบกองสังขารอันนี้ไม่ใช่คำพูดแต่เป็นสภาวะที่มันจะได้สัมผัสอยู่กายยัดสังขารจิตสังขารตัวนี้เป็นคำพูดเพื่อเกิดความเพียร คำพูดทางเราพยายามที่จะกุกีน้อยแม่ละคนไปได้วยหมู่เรียกว่าวิเวกเกิดอาการที่มาเรียกว่าสันโดษขึ้นมาสันตุถีสันตุถีหรือสันโดษเกิ <pens> <split> ดการสงบกายสงบใจกายก็สงบสงัด จิตใจเกิดความสงบสงัด ส, ง, ส, ง, ส, ง, ส ง, งียมมันเป็นกุณค้าเป็นลักษณะของปรมาจันทร์หรือบัณฑิตที่กำลังดำเนินมันเห็นได้ชัดเราก็จึงตามประเด็นนี้แหละ การเห็นการเคลื่อนไหวของตัวชีวิตนอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ต่างๆที่มากระทบก็ตามภายนอกภายในภายในภา ย, น, ภายนอกเราก็จะได้เห็นความจริงของมันที่มันแสดงออกมาซึ่งเราก็เลยเป็นครูสอนตัวเราอยู่ตลอดละเวลา แต่วันสวันนี้เห็นมีครูนะก็คือไม่วู้งก็หนึไปไหนแล้วยังกับเด็กเดินจงกลมอยู่ที่สวนนะกับเดินจงกลมที่ลานหินโคง้งนั่นใจตรงหลังห้องน้ําตรงเนีน้เห็นแล้วมันก็ได้แง่คิดมุมมองมากมายแล้วกันะถ้าเป็นความคิดเนี่ยมันเป็นการกระทบในทางกุศลหมดเลยจิตเป็นปัญญาหมดเลยแม่ลูกที่ไหนมาเคยเห็นภาพอยู่มาติภพี อุ้มลูกเดินยงกรมลูกอหลับกินนมแม่แม่น้าตาแล้วเห็นละททำได้ยังไงอุ้มลูกเดินยงกรมมันก็เลยเป็นภาพที่เราสะท้อนก็อะไรขึ้นแม่อุ้มลูกเข้าวัดอย่างเงี้ยพ่อแม่ลูกพานเข้าวัดปฏิบัติบางคนก็ ลงมาบวชแม่มาด้วยสามีมาบวชภรรยามาด้วยบางทีก็อย่างที่เราเห็น น, หนี่เด็กๆไม่โกนหัวนี่เด็กๆโกนหัวเมื่อกี้มีอาจารย์อยู่คนบอกผมจะบวชอยากจะบวชเกิดความรู้สึก ข, ขึ้นมาเลยเมื่อเช้าปาบุรีทิ้งเออน้าโมทนาเสร็จแล้วบอกไปหาหลวงพ่อเลยไป ว่าใครจะดีนะเราขนส่งทันทีเร็วจะทำดีในยทันทีทันใดสมมุติตอนนี้มาว่องมาไวเร็วมากแต่ถ้าจะทำไม่ดีนะเช่นคิดจะสึกนะอันนี้ก็โยกเยกโยเ ย, ย, เยทวงทำไมสึกได้ก็ไม่อยาให้สึกเพระไปลุยโลกนะมันสู้เราไม่เห็นโลกของเราภายในไม่ได้ ทองโลคือกายคือใจของเรานำไปบัตเต็มมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกหัดจนกระทั่งเป็นครูสอนตัวเองกันนอกจากให้สิ่งแวดล้อมภายนอกนหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆหรลวงพ่ อ, ขอเขียนะหลวงปู่เทียนต่างๆเป็นครูของเราอาจาเคยมีลายมือหลวงพ่ อ, ขอเขียนอยู่ท่านเขียนด้วยลายมือของท่านอัดมาก็บังเอิญบังเอิญเมื่อกี้ ไปลือ้อตรงกองที่วางอยู่ได้อะไรมาก็ไปกองกองกองไว้ลองลือ้อเอาไปเจอชิ้นนี้ก็เราลืมไปแล้วหลวงพ่อมเขียนท่านได้เขียนเอาไปเป็น ล, ะละายลักษอักษรครูบาอาจารย์คือผู้นําวิญญาณของกุลบุตรที่เติบโตขึ้นมาในโลกการที่วิญญาณจะเดินไปถูกทางหรือมีใจสูงได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยาก เป็นสิ่งที่ลี้ลับมีพิธีรือพิธีลีตองมากและต้องอบรมนานอบเนิ่มก็ร้อนนะนะหลอมเนิ่มทำให้งามอยู่แล้วฉะนั้นจึงต้องเป็นนะบุคคลที่จะต้องฝึกตนต้องมีบุคคลประเภทนีนะ้เกิดขึ้นในโลกเพื่อรับภาระอันนี้และเราเรียกกันว่าครูบาอาจารย์ เพราะว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือมีโอกาสอันเพียงพอในการทำหน้าที่อันนี้โดยตรงจนไม่มีโอกาสไปทำอย่างอื่นหรือไปประกอบอาชีพอื่นต้องอดกลัน้นอดทนเป็นพิเศษจึงจะสามารถปลูกฝังความสูงของวิญญาณลงไปในจิตใจของศิษย์ได้สำเร็จอาจารย์จึงต้องศึกษา และอบรมตนเองให้มากเป็นพิเศษอยู่เสมอจึงมีอะไรเพียงพอที่จะปลูกฝังให้แก่สิทธิ์นั่นแหละคือปัญญาหรือวิชาของอาจารย์ครูบาอาจารย์พ้นจากฐานะของความเป็นลูกจ้างแต่อยู่ในฐานะของความเป็นปูจนียบุคคลก็เพราะให้สิ่งที่มีค่าสูงสุดแก่สิทธิ์ยิ่งกว่าสิทธิ์ จะตอบแทนไหวนี่เองเนีมันเป็นคำพูดที่หลวงพ่อบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดซึ่งบางคนในนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอ่านมามาด้วยศรัทธานะความเชื่อที่ว่าหลวงพ่เทียนท่านรู้ธรรมะสังเกตจากคำพูดของท่านมันเป็นคำพูดที่โปร่งโ่งออกมา จิตสู่จิตทำสู่ทำธาตุรู้สู่ธาตุรู้หลวงพ่อเทียนมีจิตเอกคือหลวงพ่ออมเขียนอยเ น, นี่ย아마ก็จะว่าในนี้หลายคนก็คงเป็นศิษยหลวงพ่ออมเขีย น, นเพราะสัมผัสเมตตาธรรมในตัวท่านนที่ท่านไกลก็ได้จะมาดีในท่านไม่ว่ากันยกเว้นหมาในท่านปลาแหลกเลยนะหมาเวลาไม่อาบน้ําให้นะบอกถ้าจะให้อยู่ด้วยกันต้องอาบน้ําให้มันหมาเน่ะ ไก่ก็เหมือนกันมาขี้ไว้ตามพื้นเนี่ยสกปรกใครจะเมตตาแบบนั้นก็ตามใจเอาแต่ว่าไปเดินเดี่ยวกับญาติใจเท้าก็ต้องรู้นะเมตตาบางครั้งก็เป็นปาเดชบางครั้งก็เป็นพระคุณอย่างเงี้ยแต่ว่าบุคคลต่างๆที่เข้ามาแล้วมาเดินจงกรมนั่งซ่างจังหวะน่ะเหตุและประเสริฐมีความทู้สึกเช่นนั้นพอกําลังฝึกตนสอนตนอยู่เราจะว่าว่า เมื่อเราเจออารมณ์ปฏิบัติเราจะเห็นแล้วว่าอ๋อเรื่องของการกระทําเนี่ยมันทําให้เกิดธรรมชาติขึ้นมาภายในจิตใจของเราธรรมชาติก็คือความเป็นปกติมันเป็นเรื่องของกครูก็ต้องบอกแก่จิตถึงเรื่องวิมุตต์ผู้ให้เกิดความเรียกว่าหลุดพ้นขึ้นมาเพื่อให้เป็นเรื่องของการแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจน เป็นเรื่องของการพ้นจากกิเลสตัวใดก็บอกท่านอย่างนั้นนอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอาการของบุญของบาปเกิดที่กายที่ใจมันเป็นยังไงสติมันเป็นยังไงศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นอย่างไรเพราะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นคําตอบนใครก็ตามที่ยังยกมือไม่ขึ้นยกแล้วยังหนักอยู่แสดงว่าความเป็นกลางในจิตสมดุลในจิตยังไม่เกิดนตัวปกติตัวสติยังไม่มี เดินตรงกลมก็เหมือนกันแต่ถ้าไปทำงานแล้วสบายนั้นเป็นปัตกรรมเป็นบัติกรรมแต่ถ้ามีทำมันไปเวียดทำอันนี้ไม่คนกว่าให้เด็ดขาดแต่จะมีเหตุปัจจัยให้ทำแน่นอนเหตุปัจจัยให้ทำคืออะไรท่านรู้อะไรท่านก็จะต้องไปทำอย่างนั้นรู้ไม่รู้สิ่งใดก็อาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจลงไปเต็มร้อย อย่างเราทำงานก่อสร้างนะเคยเห็นครั้งหนึ่งคำพูดยังติดหูอยู่ลวดรอบวัดทำกันท่านทำแบบไม่ใช่สมมุติอาตมาจะเขียนแบบออกแบบอย่างดีคำนวณเหล็กให้จะใช้เหล็กขนาดเท่าไรปลอกกี่มิลระยะห่างเท่าไรเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านไม่ได้ใช้ แล้วแต่จาบ้านจะทำไหนปล่อยให้ทำเลยถพอถือว่ามันเป็นเรื่องของสมมติประตูรั้วก็เหมือนกันท่านจะทำประตูทางออกอาตมาก็นึกถึงตู้ออกที่เชื่อมมันก็ไม่ได้เชื่อมแล้วว่าไฟฟา้ามันจะต่อไปได้ยังไงก็เลยไม่ได้ทำหลวงพ่อท่านก็ไปทำเองท่านทำแบบนี้สมมติทำไง ท่านเอาเหล็กหกเมนเนี่ยเหล็กที่เขาทำปลอ ก, กอภาษาก่อสร้างะท่านเจาะประตูอิฐบล็อกเน่ยเอาเหล็กร้อยฟืตละมัดเลยฟืดละมัดเลยก็เปิดปิดได้แล้วไอเราไปรอตู้เชื่อมเนี่ยเขาเรียกว่าทําแบบเยลรมิดทำแบบมีปัญญาใช้งานได้จริงสมบัติไม่นอาใจมันให้มันใช้งานให้ได้ก็แล้วกันแต่เดี๋ยวนี้วัดเรามีสถาปนิกอย่างเช่นยียบวชนีอาจารย์สอนสถาปนิกด้วยนะรัชพังด้ไม่ธรรมดา มีนักออกแบบมีวิศวกรอย่างพรยเสืยอร่างกายเนี่ยซีวิลเอนจิเนียริงวิศวกรโยธาทตานรู้อะไรปนเนี่ยไปวางไว้ได้ยังไงเดี๋ยวแข็งตัวโดวนน้าท่านก็นมาบอกเป็นหูเป็นตาให้คนรู้จริงมีเยอะมากเลยทีนี้แต่ว่าไม่แสดงตัวกันเพราะอะไรเอากรรมฐานเป็นหลักไอ้เรื่องอื่น่ะเป็นรองกันตามสมวัตบรรยัด เราก็ใช้แบบเนือสมมุติก็ได้มันก็จึงเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมามากมายมีผลงานเกิดขึ้นมาวันนี้เนะี่ยก็ได้อยู่กับหลวงพ่ออีวั น, นที่ไปนั่งดูที่คุณเจริญนะบ้านเด็กรักป่าสุรินก็เป็นวิทยากรนักบุญพระที่จะอบรมเนรใหนะ้เป็นกิจกรรมที่กําลังประมวลนะเราก็นั่งดูกันอยู่ในหน้าที่ว่าเออท่านจะทําอะไรกันนะ ก, การเข้าอารมณ์บวกลบนะ รอดจิตปกติก้อนเนี้ก็สาคัญเพราเราจะฝึกเนรให้มีจิตวิญญาณเป็นเรียกว่ากุลบุตระกุลธิดาปรมมัจจรีแล้วก็เป็นลักษณะของอยู่วัดอยู่ว่าคําสอนแบบพระเจ้านผมเราแตมาเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่ง่ะไปกับอาจารย์หนุ่มเนี่ยแหล ะ, ะเห็นเจ้าอื่องหลานเนี่ยเปลี่ยนมาสองวันก่อนเนตัวลําบึกมากเลยบางเอิญว่าเคยอบรมกา พระบีมลูกชายสมัยก่อนเคยบวชเนรไปก่อพังงานกันไปอยู่กันเป็นเดือนเลยเสร็จแล้วก็อืนึกได้ว่าครั้งนั้นนะอบรมเนรใช้กรรมฐานอย่างเดียวล้วนเลยโดยส่วนตัวนะไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะกรับอาจารย์จากมีนาศาศาประาทเคยอบรมบ้างเป็นน้าเด็กมบรมกลุ่มกันมีพี่เลี้ยงแต่ว่าส่วนตัวไปให้กรรมฐานอย่างเดียวเลยการนั้นจําได้ว่า คนที่ก็ให้ไปช่วยหน่อยนะอาจารย์ที่นั่นไม่ชอบอาธรมารอย่างมากแต่ท้ายสุดปรากฏว่าเด็กกลุ่มที่อาจมาดูแลอยู่่ได้รางวัลหมดแหละคนโตก็ได้เด็กเล็กก็ได้ผู้หญิงตามใจนี้ก็ได้อาจารย์รู้แล้วนะมันเกิดจากอะไรก็พาทํากรรมฐานตลอดนั่งยกมือสังก่าพาเดินจงกรมเด็กมันเดือดจับเอาเชือกผูกมือร้อยกันเป็นพวงเลยระยะเท่ากัน ตอนเรียบร้อยมาแล้วเรปล่อยแล้วปลอดเชือกท้ายสุดก็ปลดเชือกนะไม่กี่วันหรอกเด็กเวาก็เชื่อฟังมสมควรถ้าดูก็ดูร้ายเต็มที่อถ้าใจดีใจดีเต็มที่เหมือนกันพลิ ก, กจิตเข้าไปพลิ ก, กจิตเข้ามาอยู่แล้วหนึ่งเดือนเต็มอยู่ร่วมกันะแต่สุดปะหลังจากนั้นไม่นานพระครูธรรมตอนไมตรีก็มาที่วัดเนี่ยสองครั้งมาดูว่าเราฝึกกันยังไงมากันที่ แล้วเราก็ได้เห็นว่าเออถึงก็ไม่สนใจแต่ท้า ย, า ย, ายสุดเด็กมีการเปลี่ยนให้ใช้กรรมฐานให้มากเออเนะีเรื่องนี้สำคัญที่สุดเรามีผลจริงๆิมันเห็นได้สัมผัสไดนะ้เด็กคนไหนก็ตามถ้าอยู่ได้ ก, ก็แสดงว่ามีกรรมฐานถ้าอยู่ไม่ได้แสดงว่าจิตก็รก้อนมากก็เหมือนกับพราไม่ได้ต่างกันก็เหมือนกับนักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ต่างกันถ้าเข้ากรรมฐานไม่ได้จิตร้อนอ่ะตรงนั้นเราก็มีกุสโลบายมีตัวรองเสริฟให้ นะสแปร์ไว้ให้แต่งานหลักต้องกรรมฐานนะเพราะทํำไมกรรมฐานนี่ไปเป็นฝึกกรรมดีกันทําอะไรกัมากมายเหลือเกินก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่โดยรวมก็คุณต้องมีปกติแล้วนะมีสติะระลึกเอาความรู้มาใช้นะมีสติะระลึกเอาปัญญามาใช้นะใจแล้วเกิดการไม่ได้เบียบเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เบียบเบียนโลกทั้งใบนะเพราะฉนั้นอุปกรณ์การฝึกยริงไม่ได้ใช้อะไรมากนะ จริงๆก็มีแค่สถานที่นะปัจจัยสี่ให้ที่อยู่ที่อาศัยนะยารักษาโรคนะให้อาหารกันขบชันให้ชีวรแล้วก็มีพี่เลี้ยงนะที่ปฏิบัติได้จริงเป็นครูอาจารย์ไปพาทำแต่ว่าถ้าจะทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรหรอกก็มองในแง่ดีกันก็มีอะไรมากมายเพราะาเด็กส่วนใหญ่ก็มันก็ว่ายัางลักสนุกอยู่ ที่กังงานเนี่ยเคยฝึกนะหนึ่งเดือนลรัตมาเคยถามเด็กว่าหนูจําร่องรอยตรงไหนได้นะดีที่สุดเด็กก็ตอบว่าไงลุงไม่โยมวันที่ไปกระโดดน้ำํำนะเล่นน้ําตกกันะวันนั้นเป็นวันที่ก็จําได้ดีที่สุดอันนั้นก็คือภาษานะเด็กที่กําลังอยู่ในวัยล่าเริงนะในวัยสนุกนะในวัยที่ชีวิตมีสีสัเนเรียนรู้โรคฟ้างนะมันก็ดีเหมือนกัน แต่างทีสิ่งที่เราทำถ้าเราไม่ได้บอกไม่ได้ฝึกแัดกันไว้ก็เห็นว่ามันก็จะเสื่อมไปเรยว่าการปฏิบัติในแนวทางต่างๆแต่ละที่แต่ละที่ก็ทราบว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลนักษณะที่ว่าลักษณะแต่ละที่แต่ละที่สถานที่ปฏิบัติเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่มาก็คือกลุ่มคนที่มาปฏิบัติทำอุบาสกปัญิกาะชอบรสชาติแบบไหน ก็จะได้อาศัยอาคบาอาจารย์จากที่ไหนก็ตามมาฝึกกั น, นะในสถานที่ของตนของตนก็เพื่อไอ้คนเนี่ยมาแล้วก็อยู่ได้นะตรงนี้นะแต่ก็มีบางที่ที่เขาเรียกรักษากันเดี๋ยวคือต้องใช้ลักษณ ะ, ะอัตลักษณ์เอกลักษณ์แบบนี้เท่านั้นเชน่นอาจารย์สุริยาเป็นต้ น, น, น <ะ S 2> เด็กจะมาเท่าไหร่ก็ตามบทเน้นบทอะไรก็ตามเพื่อสายแพร่แสงเดือ น, นต้องเกินเมื่อสิบสี่จังหวัดเท่านั้ น, นแต่ว่าของเรามันอยู่ในมุมของ เมตตาหรือว่าการที่เราไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรจริงๆนะเพราะฉะนั้นอะไรยิ้มจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเราก็ดูมันได้นะใครจะไปใครจะมานะเราดูมันได้จริงๆเนพะราะพ่เห็นสภาวาเห็นนะได้ยิ้มสภาได้ยินอย่างนะี้เพราะนั้นเราก็จึงไม่มีปัญหากับเสียงเด็กร้องไห้ก็ตามนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเด็กเพราะาเด็กร้องไห้มีพลังสูงสุดนะแม่ก็จะต้องก็ตือรู้ล้นนะ พลังของพระคือศีลคือความเป็นปกติพระต้องมีศีลถ้าปกติมากเท่าไรเราคือพระมากเท่านั้นอย่างนี้เรก็จึงนะได้ยินสภ า, าได้ยินไม่ว่าลดสอลดกินสภาวะกินอนั่ะอันนี้คือผลของการปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถูกต้องตรงจริงๆกลับมาหาความรู้สึกความรู้สึกภายในใจของเราะความเป็นปกติมันเกิดขึ้นมาภายในใจิตใจของเราเรากลับมาให้ได้ท้ายสุดก็ไรตัวไล่ตนนั่นแหละ เราก็จึงปลูกฝังกันการเคลื่อนการไหวชุดสี่ชั่วขณะนะใครที่เพิ่งมาใหม่รู้จักไว้เลยวันนี้เลยพลิกมือตั้งเคลอนนะ่ยรู้สึกตัวยกขึ้นไปไหนยะรู้สึกตัวมาวางที่สะเดือนยรู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตั้งไหนะรู้สึกตัวยกขึ้นมารนะู้สึกตัวถ้าทำไม่เป็นนะถ้าทําเป็นคือมันจะเป็นปกติอ่ะมันเคลื่อนไม่ได้ช้าหรือไม่ได้ไวมันจะพอดีพอดีดูงามทีเดียวมันจะมีความอ่อนโยนกับเยียวยาบะ มันจะมีความงดงามไปในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันดูอ่อนโยนกับตัวเองมากๆเลยแล้วเตรียมกันมันสงสารตัวเองมันสงสารสงสารตัวเองเวลามันเห็นว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตเน่ะพลาดพลั้งมาเกือบตายมาหลายหนกว่าจะหลุดมาได้เดินจงกลมได้สร้างจังหวะได้รู้ทันความคิดตัวเองะพอคิดปั๊บมันรู้นะปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆมันคลายไปจากไปหายไปอย่างนี้นะ มันเลยอัศจรรย์นงเวลามันรู้สึกที่กายแล้วก็ไปรู้ทันความคิดเองเนี่ยความเป็นเองตัวเนี้ยมันปรากฏขึ้นมาไม่เคยเห็นมันก็เห็นนะขณะที่เรารู้สึกที่กายมันออกมาจากความคิดเพราะมันไหลแว็บก็เป็นในความคิดมันรู้สมมติฐานการคิดเวลามันคิดขึ้นมามันคืออาการของจิตที่เราห้ามไม่ได้หลวงพ่อเทียนจึงบอกว่าอย่าห้ามความคิดจะแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะไม่ห้ามอะไรทั้งหมดนั้นแะละ ปรากฏการ์ต่างๆไม่ห้ามแต่เราจะห้ามนะจิตใจของเราไม่ให้เผลอหลงเข้าไปในอาการเหล่านั้นปรากฏการ์เหล่านั้นอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการที่จะไม่เผลอหลงเข้าไปในอาการเนี่ยต้องรู้สึกตัวให้เป็นกายของเราต้องมีอยู่สมาธั ญ, ญ, ญาณตัวนี้ต้องมีอยู่ตั้งไว้นะรู้ตัวทุกพรั้งมีตัวเองขนานั่งขนาดเดินก็อย่ายืนขณะนอนขณะพูดขนาดนิ่งอะไรก็ตามขณะกินขนาขับถ่ายมีตัวเราอยู่นะ มันทํำด้วยความรู้สึกตัวนะมันไม่จะคิดทำํำนะไม่ได้คิดพูดนะแต่มีสติการคิดนะมีสติการพูดมีสติการทําสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทนาําขณะคิดขณะพูดขณะทําหลังคิดหลังพูดหลังทําตัวเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ปรากฏกับการปฏิบัตินโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่การตั้งใจใส่ใ จ, ใจเบื้องต้นก็คือเนี่ยเจตนาเคลื่อนไหว ทำไมต้องมีเจตนาการเคลื่อน <Evet. S 1> เจตนากับการไหวไปไหวมาทำไมต้องเจตนาเพราะเจตนามคือกรรมและเป็นกรรมมัดฐานกรรมมัดฐานก็คือเอาผูกไว้อ่ะนะสตินะผูกไว้เอาจิตใจนะมีสติผูกไว้กับฐานกายหรือว่าหลักเ <S 2> <S 2> บื้องตน้นเลยจนกระทั่งมันยอมเหมือนกัน เมื่อก่อนเคยสั่สายฟุ้งซ่านหรือว่ามันไหลไปก็ไหลมามันไหลไปตามความคิดจงตั้งนนะมันน่ะมันอยู่กับมันเองตามกฎของพระไตรลักษณ์ไม่ใช่ว่าเราฝึกให้จิตมันเกิดความว่องไวเพียงที่จะเคลื่อนไหวเพียงที่จะรู้เพียงที่จะสลัดคืนสลัดออกมาจากความคิดอย่างเงี้ยนะเพียงที่จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวะ จะมาเกิดตัวสติขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยนะมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจใส่ใจกันะใหม่ๆเราก็มาสนใจวันที่นี่นะมันมีการฝึกแบบ น, นี้หรือนะหลายคนก็ดูทางอินเทอร์เน็ตมีหนังสือทั้งหาต่างๆมากมายอย่างเช่นมีอาจารย์มาจากสุลัามอยู่คนทั้งท่านเคยรู้เรื่องนี้มา20ปีแล้วรู้ว่ามีการสอนแบบแนวหลูเทียน เก็เข้าไปในเว็บไซต์นะก็เห็นว่าวัดป่าสุกตัวนี่มันน่าปฏิบัติธรรมนะโดยแล้วมันสบายใจนะเกิดบุญขึ้นมาเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาศรัทนธะาพอมาถึงพระผู้อากาศที่นี่ก็สบายอีกนะเป็นอากาศที่สบายมันก็เลยนะยิ่งเกิดศรัทธาขึ้นมาก็สถานที่ยิ่งไปสนทนากับหลวงตากรมนะก็มีเป็นพระผู้ใหญ่เนะ ที่พอเราเข้าใกล้เราก็รู้ว่าท่านนี่มีธรรมชาติดีเป็นผู้สูงอายุที่ใจดีมีเมตตาแล้วก็ตามน้ําเก่งก็คําว่าตามน้ําก็หมายถึงว่าไม่เป็นเรื่องของไม่ใช่ตัวใจของเราอัตตาตัวตนของเราความคิดของเราไม่เรื่องขอคนอื่นเี้ยพาเราคิดเราก็ตามตามน้ําไปมันก็สบายดีเขาก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเ้าต้องการอย่างนั้นเราให้ก็ไปอะไรอย่างนี้ ท่านก็เป็นผู้ที่เหมือนกับว่าพอได้มีคนได้สนทนานะท่านก็ตื่นตัวขึ้นมาเหมือนหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนเป็นยังไงหลวงปู่เทียนเวลาป่วยนุ้ยท่ถ้า็นอนป่วยอยู่นะเจ็บปวดอันนี้อันตราเคยได้ยินได้ฟังจากอาจารย์ชาญหรือาจากลูกจิตลูกหาที่อยู่ใกล้ๆอาจารย์โสพลเป็นต้นเป็นลูกจิตสมัยหลวงปู่เทียนเลย หลวงพ่เทยียนนี่นเวลาป่วยนี่ใครจะมายุ่งกับท่านเนี่ยท่านไม่ให้ยุ่งเลยนะอาจารย์โสพลเนี่ยเข้าไปยุ่งเห็นหลวงพ่เทยียนนอนอยู่หลวงพ่อเทยียนบอกไปปฏิบัติไปไม่ต้องมาสนใจเลยไปปฏิบัติยกมือสิบสี่ใช่ไหะท่านเห็นประโยชน์ของท่านมากกว่าประโยชน์ตนอีกอีกทีหนึ่งก็คือมีนักปฏิบัติเข้ามาศูนยันธรรม ท่านเจ็บอยู่ป่วยอยู่แต่ท่านก็พูดพลาดลุกกันนั่งเลยแล้วท่านก็บอกถึงเรื่องความรู้สึกตัวแกอามปฏิบัติให้พวกเราฟังดูแล้วมันนี่คือพลังงานของชีวิตแรงกายแรงใจที่มีไว้เพื่อประโยชน์ท่านการบอกถึงความรู้สึกตัวต้องเปนเรื่องเร่งด่วนสําคัญการชี้นําเรื่องสติและพาทําในเรื่องสําคัญอย่างเช่นไปที่สิงคโปร์ ท่านไปเจอกับยกเหรียญพูดภาษาจีนกับพูดไม่ได้ปรากฏว่ายกเหรียญเป็นผู้หญิงแล้วเข้ามาตอนที่ไม่มีใครอยู่ด้วยท่านจะไล่ไปท่านก็ไม่ไล่ท่านก็มองตาเหมือนกับอ่านความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นต้องการเรียนรู้เรื่องการเจริญสติท่านก็เลยพายยกมือ สิบสี่ใช่ไหมยกเหรียญก็มองแล้วก็ยกตามเลยนะยกเหรียญก็แปลกใจว่าพระรูปนี้รูด้ดงไงว่าจะมาเรียนรู้ธรรมะเอ๊จิตมันสู่จิตนั่นแ่ละก็ยกตามยกตามไปยกตามไปปรากฏว่าจับสภาวะได้เี้ยคลื่อนแล้วดูดูแล้วเคลื่อนจับสภาวะได้จนก็ล่ําลือนะ อย่าเช่นอาจารย์โกวิทย์อ็นําไปเขียนเป็นหนังสือเลยว่าหลวงปู่เทียนนีมีบุคลิกลักษณะไหนอย่างเงี้ยจนกระทั่งยกเหรียญนักตา ม, มาที่วัดสนามในตามมาเรียกทำด้วยยกเหรียญเพราะฉะนั้นธรรมะนี่มันเรื่องที่มันลึกซึ้งนะอาจารย์จะต้องลึกซึ้งกับสิ่งนี้แล้วก็มีผลจะสามามาชี้นําลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ไปตรงทางถูกต้องจนถ้ามันเกิดการปล่อยวางจริง หลังจากที่มันมีสติปัญญามันรู้แล้วก็ระวงังยถึงตอนนั้นจะเข้าสู่สภาวะของความว่างแต่ว่างแล้วรู้รู้ตื่นเบิกบานจริงๆรู้ทุกเตื่นทุกจนกระทั่งมันเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆแล้วอ่ะถึงตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรหรอกไปทําทําไมทำเป็นเรื่องของธรรมชาติภายในที่มันทํากันเองทั้งหมดมันบวกลบบวกลบจนเหลือส่วนทั้งหมดนั่นแหละ เข้าสู่สภาวะสมดุลความเป็นปกตินะที่มันพาไปความรู้สึกตัวเบื้องต้นที่มันพาเดินทางไปจนั้งนะเหมือนกับว่าเืนสู่ธรรมชาติจริงๆแต่ว่าเราจะไม่เชื่อใครที่พูดอย่างเงี้ยแม้คาพูดเราก็จะไม่เชื่อจนกว่าเราจะได้สัมผัสเราเองว่าท้ายสุดคือมันจะตอบโจทย์สุดท้ายเรามาเชื่อว่าตอบโจทย์สุดท้ายใครก็ตาม กูอาจารย์ท่านไหนก็ตามท้ายคือตรงไหนคือเวลาตายใช้ได้จริงหรือเปล่าก็วางวางวางวางเนี่ยอย่างเช่นมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งมาปลูกกุนหลังแรกในวัดป่าสุกัสโตเสร็จแล้วเนี่ยไม่ยกมือไม่สร้างจังหวะก็ตะลอนตลอนไปเป็นทัวรวัดนั้นวัดนี้วัดนู้นสอนอะไรไปสนใจท้ายสุดน่ะเป็นมะเร็ง ขนาใกล้ตายไม่วางแฮวางไม่ได้โอ้ยโอ้ ย, อ, ยอาจารย์คนที่เกลียดอาตมามากที่สุดก็คือคนวคนนี้แหละเกลียดอาตมามากที่สุดทําไมเขาเกลียดรู้ไหมเพรอาตมาเจอได้าเขารู้สึกตัวหรือเปล่าให้เคลื่อนมือรู้สึกรู้สึกตัวหรือเปล่าและหน้ยจะเป็นคนที่เวลาปกติหน้าจะบึ้งบูดมากเลยบูดบึ้ง แต่ถ้าเวลายิ้มเนี่ยก็เออผ่องใ้ดีหรอกแต่ถ้าเจยเมื่ อ, อไหรหน้าบูดทันทีหน้าบึาบ้งทันทีแกไม่ชอบรักษาอาการที่มาวางสีหน้าปกติอย่างมากอ่ะอะมาก่าพูดแล้วค่ารับรองในสิ่งเนี้ยเพราะว่าพี่ชายยังไม่ยีดอยู่ไปถามวะไปถามได้จะบอกเลยน้องสาวไม่ชอบทันมากๆเพราะว่าทันชอบเก๊กมาวังมาดหน้าขลึมบูดเบึง้งอะไรวาดมาปกตินะ แต่จะโทษว่าบูดเพิ่งเราต้องไปโทษพ่อแม่อาตมาโนนเพราะาทำอาตมามาอย่างเงี้ยก็คุยกันแบบเนี้ยปรากฏเวลาเขาใกล้าตายจริงๆเนี้ยอาตมานหละมันนอนอยู่ตรงเนี้ยเพราะโทรศัพท์มันอาจจะไม่ทันนอนอยู่ตรงเนี้ยน้องสาวก็มาตามทีสี่ทีห้าเวลาไหนก็มาตามนอนเฝ้าอยู่ตรงเนี้ยหลวงพ่อก็นอนเฝ้าอยู่ที่นกักบุญติหลวงพ่อก็บอกือกันตอนนั้นหลวงพ่อก็ป่วยเขบอกว่าให้บอกหลวงพ่อทันทีนะ เวลามันไม่ไหวเนี่ยมันบอกทันทีหลวงพ่อจะมายกจิตให้แล้วก่อนหน้าเราก็จะไปบ อ, อกกันเสมอให้รู้สึกตัวนะมันรู้สึกตัวไงล่ะอาจารย์เอากระพริบมือสิหมดเรื่อวหมดแรงแล้วท้ายสุดในหมดแรงแม้กระทั่งจะพูดต้องเอนปากกาไปเขียนอันั้นมาบอกปากกาให้เขียนเลยนะเดี๋ยวมันจะคัดลายมือลอกลายมือของคุณเนี่ยเอาติดที่หน้านต้องเอารูปหลวงพ่อคกำเขียนนะั้นรูปนั้นน่ะมายกไปเลยเอาไปเป็นดิมิตให้นะ เพราะใจมันอยู่กับการวางไม่ได้โยกความว่างไม่เป็นแต่ตอนที่แข็งแรงคะพูดถึงเรื่องว่างวางดีจังเลยแต่ท้ายสุดนะต้องให้กลับมาที่ฐานกายให้ได้รู้สึกตัวให้ได้ะจนทั้งวันสุดท้ายนะมาบอกอันมาไม่ได้อยู่แล้วนะโยมก็ไม่เห็นโยมตายแล้วเพราะาต้องไปทางเชียงใหม่บ้านบ้านพันดาวโยมอยู่ที่นี่โยมก็รู้สึกตัวไปนะ แล้วครั้งสทายมันก็กนรับบาดจากเขาะก็ก็ปนมมือสาธุตอนหลังก็เรียกว่าอาจารย์แล้วแหละแล้วก็ยอมเพร่อมาก็อะไรที่ไม่ดีอดาจารย์จะไปทําให้หมดเลยยิ่งเกลียดอะไรยิ่งทําให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้ตลอดเวลาเตรียมยกไม่ให้หนักขึ้นหนักยกไปหาอาจารย์กุศลอาจารย์วา่าแทบที่อาจารย์นอนตายก็ยกไม่ให้อยู่ที่นี่ยกกันมา แล้วตอนนี้เรายกไปอยู่กุฏอรรถกยาสาลาเนี่ยเตียงอันนี้ใครเจ็บใครได้ป่วยก็ไปนอนได้สบายเลย เ, ยเราก็ให้กันขนาดนั้นต้องการอะไรต้องการหลวงพ่อเขียนต้องหลวงพ่อเขียนมาไม่ได้เอารูปแบใหญ่บเบลอเลยวางแล้วก็ขออภัยกับทุกคนที่เคยทําไม่ดีไว้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีดเลยพ่ออาจารย์อย่างเงี้ยอ่านว่าเขียนให้ใครเข้าไปก็พูดไม่ได้ก็ได้แต่ชี้ให้อ่าน ชี้ให้อ่านอย่างเงี้ยแต่ประเ ด, ดนเรามาที่นี่ให้ตรงประเด็นให้ได้ะประเด็นอยู่ที่นเบื้องตน้นยกมือวางมือให้เป็นอันที่สองเวลามีความคิดวางความคิดให้เป็นถ้าวางไม่เป็นอยูา่าเพิ่งไปจังหวะกลับมารู้สึกตัวก่อนต่อมาก็คือะมีสตินเวลามื่เกิดสติเกิดความเป็นปกติขึ้นมาโล่งโปร่งเบาขึนแลาววางตรงนั้นให้เป็ น, นวางทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมา มันวางยังไงตัววางกายนี่แหละไปวางทุกตัวเองสติที่มันว่องไวเป็นใบพี่พิพาณจะไปรู้เท่ารู้ทันกองมันเองในทุกๆอาการที่เป็นความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นรู้รอบกองสังขารมันมีจริงๆจิตตัดสังขารกายจะสังขารวจีสังขารมันมีอยู่ะผู้ไปละวางหันหลังให้แล้วทิ้งทันทีแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปยังไม่มีลักษณะของนะ สตรอว์รู้ว่ากู้อะไรมันมีการแห้อภัยหรือว่ามันมีลักษณะของการชี้นำํำเกี่ยวเรื่องของการตรงประเด็นตรงไปตรงมาในเรื่องของการฝึกหัดกันด้วยความปรารถนาดีต่อกันเราก็จึงใช้นอโอกาสเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมีกลุ่มเข้ามาเข้ามาก็จะขออยู่กลุ่มใหญ่จะพาธรมปฏิบัติธรรมนี่แหละ เป็นงานที่เห็นว่าจําเป็นต้องปูนเราต้องพากันทําอีกงานนี้ก็จะมีสามนเณรเข้ามาจะวไปยังไงกันนะเพราะสามนเณรก็ต้องมีผู้ปกครองมาบางทีก็ได้มาคนเดียวเลยมาหลายคนปนะู่ย่าทาด่อเล่เทีงก็จะมีนะคนที่จรไปจรมาจะแบ่งกันอยู่แบ่งกันอาศัยยังไงนั่นะก็ไปจัดระบบระเบียบกันนะแบ่งกันให้พอเมาพอกวน เราก็จะของกุตลกุฏที่ต้องมาใช้ในอกาสนี้นี้อาจจะทำกันยังไงเพราะเราถือว่าให้เกียรติให้ความเคารพเจ้าของกุศนะไม่ว่าท่านเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีนะความศรัทธาส่วนใหญ่ที่มาสร้างในศรัทธาเกิดจากตัวปฏิบัติถั้าที่มาจับได้นะพอยกมือสิบสี่จังหวะเดินรงกลมนะมันจะมีอารมณ์บญเกิดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เลย ไอ้บุญตนนี้มันจะพาคิดนทํานั่นทนํานี่ทำโน้นสร้างนั่นสร้างนี่นสร้างโน่ น, นเป็นการกระตันอยู่ต่ออารมณ์บุญหลังจากที่มันได้มาใช้ในสถานที่มีอุปการะคุณเกิดคุณขึ้นมาประโยชน์เกิดขึ้นมากัชีวิตเนี่ยถึงตรงนี้มันจะเริ่มแล้วนะอยากมาอยู่วัดอยากมาปฏิบัติต่อแล้วมาและกุฏิกุฏิมันตารามก็เต็มอย่างเงี้ยก็เลยเห็นว่าถ้าเรามีพื้นที่จะสร้างจะสร้างเพื่อที่จะมาอยู่ปฏิบัติ หลังจากที่ไม่ได้มาก็ให้คนอื่นได้พักได้มาบีบัดบางกุถึงก็บอกว่าอาจารย์หรือว่าบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่ออันเนี้ยกุญแจมอบไปให้เลยนะแล้วก็ขอให้กุฎเนี้ยเป็นกุฎที่มาปฏิบททัตนะิธรรมนักบวมาเข้าพักกันถึงขนาดนั้นก็มีเหมือนกันเราก็รับไว้ทุกเจตนาของคุณถ้าทํำได้ก็จะทําให้ถ้าถ้าเลี่ยงได้หรือว่าหลบได้ก็ จะหลบเลี่ยงนะเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนกันนะตัวนี้เราเพื่อเป็นไปนะประโยชน์ตอนประโยชน์ทนะ่านเพื่อเกิดบนสูงสุดก็คือบนที่เกิดจากนะปัจจุบันทำบนทําทานนะเสียเงินเสียทองหรือว่าบนที่เกิดจากการให้แรงกายแรงใจนะมันก็ต่อยอดไปจนทั้งเกิดความสุขนะที่มีปัญญาเกิดขึ้นมาเรื่อจิตกุศลกิจฉลาดนะ ความรู้สึกตัวมันพาไปจนทั่งเห็นโลกตามความเป็นจริงจริงๆนะแล้วก็เกี่ยวข้องถูกต้องตัรงๆนั้นก็ได้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่า น, น่ะรู้จริงใดเราก็ให้กับสิงนั่นตรงๆด้วยความปรารถนาดีต่อกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เจริงนงหลวงพ่อเขียนนะนะจึงลักษณะวันนี้เห็นท่านได้แสดงความน่ารักะในการดูนะ จากที่หนึ่งจากที่สองจากที่สามที่เขาทํากิจกรรมกลุ่มท่านก็ดูโดยจิตวิญญาณของความเป็นครูที่น้อมเข้ามาใส่ตนแล้วก็ยังถามกมระโปรงและอาตมานะว่าอาจารย์ทรงศิลเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ทาอย่างนี้กันเข้าไปอยู่อาจารย์ทรงศิลทําอย่างนี้ได้ไหมคําถามเนี่ยถ้าเป็นเราจะตอบว่งไง แเริ่มมาตอบว่าผมทําไม่ได้หรอกครับสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้ก็คือการเคลื่อนมือสืบจีที่ว่าการเดินจงกลมผมจะพาญาติโยมทําแบบนี้ครับนอนกับพผู้หลงพ่อเขีย น, นนะอย่างนี้ท่ามาคิดว่าจะพาญาติโยมจิตสตนะิถ้าใครสนใจแบบนี้หลงพ่อเทียนอ่านมาคิดว่าไม่พาหลวงทางนะก็จะพาเดินแบงนี้ละนะนะแล้วก็อีกหลายวิธีมาก็เคารพของเขานถะูก แต่คุณต้องไปที่นั่นนะอ น, นาปันติคุณต้องไปที่นนอาจารย์พุธทธะท่านฝึกอาณาปาศะษย์หกขั้นอย่างถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ลูกสิษลูกหาพาทำยังไงนะก็ลองดูเองแล้วกันหรือว่าสายคุณแม่สิรินะแต่ก็ทราบว่ายกพุทธเดี๋ยวนี้ก็พาทํำแบบศิษย์ยังหว่าอาจารย์กัญชิด น, นี่แหละไปพาทำงงไหมถ้าอยากรู้เรื่องยบหนอพองหน่อไปสายโยกพุทธกันแล้วกันสายคุณแม่สิริ มีศูนย์ใหญ่อยูนะ่หรือว่าชอบแบบอิสระภาพเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะไปเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตกันแล้วกันมาที่นี่ไม่มีการบังคับทำนะไปเลยมันมีบางที่ก็ไม่บังคับทำแต่มีสถานที่ให้นะคุณจ่ายตังค่าที่พักค่าอาหารนะมีพนัก ง, งานบริการอย่างสะดวกเลยอยู่แบบอินซีลูกคุณหนูเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปทำานวิธีการไหนวิธีการหนึ่งคุณอยู่ได้อย่างสบาย พอใจจะทํายังไงไปทำอะไรก็มีอยู่เดีก็มีสถานที่แบบนี้แล้วชอบแบบนะหลวงพ่อชาโอมีเยอะแยะมากเลยสายพุโทโธหลวงปู่ ม, มั่นทังกาที่มอที่มอแต่มาที่นี่หลวงพ่ออมเกล็นก็ชี้ชัดว่าเปิดให้หลายๆวิธีการหรือว่าหลายๆรูปแบบหลายๆกิจกรรมเลยนะวงเล็บได้มาแสดงออกที่วัดป่าสุโธกัน แต่ว่าเราจะสอนเรืเ่องการฝึกสติกันท่านพูดไว้ชัดประเด็นนี้แล้วก็มีนโยบายว่าถ้าเป็นไปได้ในกรณีถ้าไม่เป็นกลุ่มนะหรือเป็นกลุ่มก็ตามหนึ่งไม่มีสัญญาณคล้องดังไม่ต้องบอกเวลากันให้คนเกิดแรงบันดาลใจไปหลังจากที่เรานําเสนอแล้วะคนได้ยินได้ฟังถึงเรื่องการฝึกสติแล้วไม่ต้องบังคับไปล่ำเวลากัน สองนะถ้าจะใช้ชีวิตยังไงในวัดป่าสุตโตพื้นที่ทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของนะการเจริญสติจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนนะการฝึกสติโดยการเคลื่อนไหวของกายเนะ่ะถ้าใครดูความคิดเป็นไ็้ดูความคิดไปด้วยอย่างงั้นะนะท่านบอกนโยบายไว้ให้หมดแล้วนะแต่ว่านะเราได้นํามาใช้กันหรือไม่หรือว่าได้ยินได้ฟังแบบนี้หรือไม่อย่างนั้นอะ่นะเอาละอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดนะ การได้ยินได้ฟังประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกให้เราทําอะไรแล้วเราก็ทําเราก็นำสิ่งที่เราโรู้รู้ขนาดเนี้ยนะแล้วก็นิมิตแบบเนี้ยการนาคําพูดแบบเนี้ยมาพูดให้ได้ยินได้ฟังกันอันนี้เห็นว่าสมควเครเก็เวลาเดี๋ยวเราการพาพร้อมกัน